วันอาทิตย์ที่30ิบพฤาพศสองนายนพมสิบเเป็นการบรรยายคำภีมหาปฐฐานโดยอาจารย์สุเทพโพธิสัต t าท่านสาธุชนที่เคารพวันนี้มีเหตุการณ์ผิดปกติหลายท่านไม่ทราบนะฮะก็คงจะนึกว่าเกิดอะไรขึ้นกับผู้บรรยายก็ไม่ได้เกิดอะไรขึ้นนะครับ เ, เมื่อวานนี้จบจากพอสลอแล้วก็ไปบรรยายที่ยูคติกะตอนค่ำๆแล้วก็ลุงเช้าสองโมง ครึ่งจะบรรยายอีกตอนหนึ่งในโครงการที่เตรียมการมานานแล้วโครงการสัมมนาวิปัสนาจารย์สายอายุหนอพ่มองหนอครับที่เชิญมาจากทั่วประเทศก็รประมาณสักร้อยท่านได้มีทั้งพระมีทั้งอุบาสกอุบาสิกาก็ผมก็รับเป็นที่ปรึกษาจากโครงการมาให้เป็นเดือนมาแล้วนะ่ยเขาก็อยากจะให้ช่วยพูดด้วยก็เลยรับพูดก็นึกว่าจะมาอย่างเร่งด่วนที่สุด ก็มีปัญ ห, หาอย่างที่ว่าเนี่นะฮะก็แสดงความเรื่องใสายและขอบคุณที่ท่านกรุณาหล่อแสดงว่ารักกันจริงนะฮะแต่ถ้าบา่อยๆก็ไม่ดีเหมือนกันเอ่อประเดี๋ยวตอนท้ายหลังจากฟังบรรยายจบแล้วก่อนที่ท่านจะกลับบ้านนะครับแวะตรงโตว์คุณมนิตฐ์เนี่ยมีหนังสือเรื่องเล่มหนาๆเนี่ยนะฮะเรื่องการปฏิบัติวิปัสนากรรมฐานแต่ว่าเป็นของอาจา ร, รย์แนบมห า, า น, น, นีลานนท์ที่ท่านเขียนไว้ ในเป็นเอกสารสองเล่ม น, นะฮะมีพวกเราคนหนึ่งนะอาจารย์อยู่ที่ไม้ไรกะเศษบรรพบุรุษของคือคือมารดาของอาจารย์ที่มีชื่อว่าพานีชาวาชาวนาปรีชาหรื อ, อยังไงเนี่ย น, นะ <S <S รู้สึกว่าจะเป็นคนที่เคยสนใจกุาธศามนามาในยุคเดียวกับผมแต่ว่าท่านอายุมากผมยังอายุเด็กอยู่ตอนนั้น จำหน้าตาท่านไม่ได้แล้วแล้วก็อีกทีก็มาเจอรุ่นลูกรุ่นลูกก็ยังอายุมากกว่าผมลูกเพิ่งมาเรียนฮะแม่เรียนยังกระทั่งใบไหนแล้วก็ไม่รู้ก็ได้พิมพ์หนังสือเนี่ยมาอภินันทนาการก็จะแจกให้ก็เอาไปอ่านใครจะชอบแค่ไหนยังไงก็ไม่เป็นไรเรามาเข้าเรื่องที่ถือเป็นบทของเรื่องปัจจัยยี่สิบสี่ ที่ได้ขึ้นหัวข้อเอกสารว่าแสดงความเกี่ยวข้องกันของปัจจัยสำคัญสี่อย่างคำว่าปัจจัยสำคัญหมายถึงปัจจัยยี่สิบสี่นั้นปัจจัยที่มีความสำคัญในลักษณะที่เป็นตัวบงการชีวิตเราอย่างทุกข์ทุกข์แล้วก็ใกล้สํานึกแล้วก็อยู่ในในกํามือของเราที่เราสามารถที่จะใช้พลังของปัจจัยนี้ทําให้ชีวิตเราดีขึ้นและหากว่าเราไม่ทําหรือทําไม่ถูกต้อง ก็อาจจะทำให้ชีวิตเราเลวลงได้ด้วยอำนาจปัจจัยทั้งหมดเหล่านี้ผมอยากจะให้ท่านดูในประเด็นที่ห้าก่อนเลยทีเดียวนะครับในประเด็นที่ห้าที่ขึ้นหัวประเด็นว่าลำดับความสำคัญโดยปฏิสนธิจิตข้อนี้กําลังจะชี้ให้เห็นว่าในขณะที่ปฏิสนธิจิตของเราอย่างลงอย่างลงสู่คัญของมารดาการเกิดในพระพุทธศาสนานั้น เราถือว่าในขณะที่ปฏิสนธิอย่างลงโดยชั่วเวลาขณะเดียวเดียวเนี่ยเป็นปฏิสนธิการและในขณะนั้นมีทั้งรูปและมีทั้งนามปรากฏแต่ว่าเบื้องหลังของปฏิสนธิจิตที่ปรากฏนั้นมีอะไรซับซ้อนซุกปนอยู่เป็นอันมากสิ่งที่ซับซ้อนและเป็นพลังหนุนหลังอยู่เบื้องหลังนั้นคืออะไร เราอาจจะตอบหรือได้ยินว่ากรรมหรือว่ากิเลสอะไรพวกนี้นะนั่นเราก็เป็นการพูดโดยโดยความหมายของธรรมะซึ่งก็ก็เป็นเรื่องของเหตุปัจจัยอ่าส่วนหนึ่งมุมหนึ่งนั่นเองผมกําลังจะเชีย่ยวเห็นว่าในขณะที่ปฏิสนธิปรากฏขึ้นปฏิสนธิที่ปรากฏขึ้นนั้นย่อมประกอบด้วยจิตและเจตสิกหรือพูดอีกอย่างหนึ่งว่าเป็นคุณสมบัติทางความทางดวงจิต เช่นสมรรนะทางปัญญาสมรรถนะทางความความสุขที่เรียกว่าสมนนะัตบางคนก็เป็นอุเบกขามันก็อยู่ในปฏิสนธิเป็นพืชพันธุ์เป็นลักษณะของชีวิตเป็นคุณภาพของชีวิตอยู่ในปฏิสนธิจิตนั้นแล้วตั้งแต่เกิดเป็นกระละเล็กๆ เ, เ, เล็กนิดเดียวมองไม่เห็นเนี่ยสภาพของปฏิสนธิจิตในขณะนั้นเราเรียกว่าเกิดพลังสหาชาติปัจจัย พลังสหัาตปัจจัยก็คือพลังที่ความรู้สึกหรือคุณสมบัติที่อยู่ในจิตอันมีสภาพเป็นเหมือนมเมล็ดพืชพันของชีวิตในขณะนั้นนะมันเป็นพลังอันหนึ่งที่ปรากฏประทุมพร้อมกันในทางความคิดเรียกว่าสหาชาติปัจจัยนี่เราเอาตัวนี้เป็นตัวตั้งและ สาวลึกลงไปปฏิสนธิจิตถามว่ามีอารมณ์ไหมและอารมณ์มาจากไหนตอบว่ามีอารมณ์อารมณ์นั้นติดเนื่องมาแต่ชาติก่อนในขณะที่เราจะตายใกล้าตายในมรณาสถานการมรณาสถานวิถีจะมีอารมณ์อารมณ์นั้นอาจจะเป็นอารมณ์ ข้างดีหรืออารมณ์ข้างชั่วก็ได้อารมณ์ข้างดีก็เกี่ยวข้องกับบุญกุศลที่เราได้ทําเหมือนอาการที่เราเห็นคนใกล้าตายครับใครที่เป็นหมอเป็นพยาบาลหรือบางคนก็ไม่ได้เป็นหมอไม่ได้เป็นพยาบาลแต่ว่าเหมือนมีดวงจะต้องไปเห็นคนจะตายต่อหน้าต า, ตานี่ยมากก็จะเห็นพฤติกรรมเห็นคําบอกอาการบอกจะบอกโดยอาการหรือบอกโดยคําพูดออกมาก็ตามว่า เขาเห็นนั่นเห็นนี่เวลาเราจะไปวิเคราะห์คนไปไปดูเขาใกล้ตายหรืออย่างเนี่ยแล้วก็ความตายเขาน่าจะตายดีหรือตายไม่ดีเนี่ยถ้าเป็นผมผมจะถามเตรียมตัวไปแล้การถ้าใครเกิดจะไปก่อนให้ผมไปเยี่ยมมาผมจะขออนุญาตถามอย่างนี้ว่ามีเห็นอะไรบ้างไหมถ้าถามอย่างนี้คนเห็นเขาจะตอบเลยครับแต่ถ้าคนไม่เห็นจะให้เห็นอะไรล่ะ ก็คือคนนี้ยังยังไม่ใกล้ตายแต่ถ้าเขาบอกว่ามีพระมารับมีคนแต่งตัวอย่างงู้นอย่างนี้มารับหรือเขาบอกว่ามันมีเห็นแต่ภาพบ้านหลังหนึ่งมีลักษณะเป็นอย่างนี้อย่างนี้หรือถ้าบางคนเขาก็บอกว่าเห็นตาเต่าเต่ามงโผล่มาคอยโผล่หัวออกมาจากกระดองตัวใหญ่ๆแล้วอ้าปากเข้าใส่เงี้ยดีไหม อย่างนี้ไม่ดีเพราะนั้นถ้าเห็นเต่าที่ตัวเองเคยไปทำไปทำลายเบียดเบียนไว้เนี่ยเรียกว่าเห็นกรรมนมิมิตข้างอากุศลถ้าเห็นพระมาโปรดเราก็จะต้องถามว่าพระนั้นเป็นพระในโลกใหม่หรือพระในมโนภาพเก่าถ้าเป็นพระในมโนภาพเก่าก็เป็นกรรมนมิมิตคือเป็นนิมิตรกรรมที่ได้ทำไว้ ถ้าเป็นพระในมโนภาพใหม่คือหมายถึงพระที่อาจจะเป็นเทวดาที่อยู่ที่ใดที่หนึ่งที่ตัวเองได้เคยทําบุญทํากุศลอุด ห, หนุนเกื้อกูลกันไว้เนี่ยก็ามาโปรดถ้ากรณีอย่างนี้พระนี้เป็นคตินิมิตอารมณ์เป็นกตินิมิตอารมณ์และอารมณ์ตอนใกล้ตายเนี่ยจะมีมากมายหลายอย่างอารมณ์เหล่านี้นะ่ะกรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้อง กรรมจะเข้ามาเกี่ยวข้องที่พยายามจะยัดเยียดอารมณ์มาให้มีผลมีอำนาจแก่จิตถ้าบุคคลเมื่อตอนใกล้จะตายจิตดับบุบไปในขณะที่เห็นคัตตินิมิตเกตินิมิตอารมณ์หมายถึงอารมณ์ที่บอกถึงอนาคตกรรมะอารมณ์บอกถึงอดีตกรรมนิมิตอารมณ์ก็บอกถึงอดีตแต่ออกมาเป็นภาพ ที่เหมือนจับต้องได้เป็นสามอารมณ์อย่างนี้และถ้าคนนั้นตายไปบางคนก็ตอนจะตายเนี่ยพูดพูดถึงพระสีอ่านใครๆเยนะอย่า ง, างท่านธรรมปาละเนี่ยตอนที่ท่านจะขาดใจตายรู้จักท่านธรรมบาละไหมครับ ท่านพูดถึงชื่อพระองค์หนึ่งพูดถึงชื่อพระองค์หนึ่งจนกระทั่งเสียงเนี่ยค่อยๆหลีหายไปเหมือนกับว่าพระองค์นั้นเนี่ยมาอยู่ใกล้ๆท่านพูดเหมือนเหมือนเห็นคนมาท้ายๆเหมือนมีคนมาอยู่ใกล้ๆและจิตก็ดับดังกรณีอย่างนี้เนี่ยอารัมมณปัจใจ จะตามติดไปสู่พพหน้าชาติมาปฏิสนธิที่จะเกิดขึ้นใหม่นั้นจะเกิดขึ้นโดยหน่วงเอาอารมอย่างใดอย่างหนึง่งปฏิสนธิในพบหม่นี่เป็นพลังอารมามนักปัติอีกพลังหนึ่งก็คือพลังกรรมกรรมกับอารมณ์นั้นเป็นของแยกกันไม่ได้เพราะว่าอารมณ์นั้นเกิดจากกรรม ไม่นั้นไอ้ไอความรู้สึกนึกคิดอะไรต่างๆแม้ปัจจุบันเนี่ยมันก็มีกรรมเข้ามาทำให้ไปคิดไปได้อารมณ์ตอนยิ่งตอนจะตายนี่เรายิ่งเกือบจะเรียกว่าโอกาสที่เราจะบริหารแบบปัจจุบันทันด่วนนั้นจะทำได้ยากมากเป็นไปตามกรรมแหละเป็นไปตามกรรม ที่ได้สะสมไว้กรรมเป็นปุเป็นตัวสร้างอารมณ์วิธีที่กรรมจะทําให้ปฏิสนธิจิตเป็นไปอย่างไรก็โดยวิธีการนําอารมณ์เข้ามาให้อารมณ์ก็กลายเป็นเครื่องมือของกรรมฮะตอนนั้นเรากำหนดไม่ได้ปฏิสนธิจิตนั้นเป็นผลผลิตของกรรมโดยน่วงจับที่อารมณ์ ที่กรรมเป็นตัวสร้างขึ้นให้จิตกลับแล้วก็นํามาซึ่งคุณสมบัติของจิตโดยความเป็นอย่างนั้นอย่างนี้เพระนั้นตอนใกล้จะตายเนี่ยเราถึงพยายามให้อารมณ์และที่จริงไอ้คําว่าให้อารมณ์อย่างที่เราทำนี่กว่ า, วาจริงแล้วก็คือการที่จะทําให้เขาเกิดกรรมนั่นเองเพื่อให้เขาตายดีนะครับจําได้ไหมนึกออกไหม แต่เมื่อคนใกล้จะตายเนี่ยเวลาเราจะให้อารมณ์นะฮะเคอ บ, บางคนเขาไม่สามารถที่จะเอาอารมณ์ไปใส่ไปให้เขาได้แล้วนะฮะ บ, บางคนพอเยียวยาได้มันจะมีอยู่สองประเภทแต่เราก็ไม่รู้ว่าใครเยียวได้ไม่ได้ก็พยายามจะทําก็อยู่ที่ประหลังเราด้วยแล้ววิธีที่จะทําให้เขาเกิดกรรมเนี่ยไม่ใช่เป็นนั่งเบ่งกุศลให้เขาเบงไม่ออกก็ต้องใช้วิธีการ นำอารมณ์เข้าไปให้เช่นเอาพระพุทธรูปไปก็ดูนี่นะปเทศธรรมะให้ก็ฟังหรือเอาอารมณ์อะไรก็แด้ที่เ ป, เป็นเรื่องบุญกุศลพอเขาได้อารมณ์เขาเกิดกุศลพอกุศลเกิดมันก็ผลักอารมณ์นั้นทำให้อารมณ์นั้นคืบต่อไปจนกระทั่งถึงปฏิสนธิจิตในชาติใหม่เกิดขึ้นตรงนี้เป็นพลังของนานักคนิกะกรร ม, มปัจจัย อารมณ์ก็เกิดขึ้นจากาพลังของกรรมนะแต่ว่าอารมณ์เมื่อมาเกี่ยวกับจิตก็เป็นอารมณปัจจัยแก่ปฏิสนธิจิตการนี้มาพูดถึงกรรมที่ที่เราทำและส่งผลมาเกิดมันมีอะไรเป็นตัวสืบต่ออยู่เบื้องหลังอีกตอบว่าตัณหาความอยาก ความอยากด้วยความรู้สึกเห็นว่าดีด้วยอำนาจของความกำหนัดถามว่าอยากในอะไรตอบว่ามันมีอยากโดยปริยายโดยที่คาว่าโดยปริยายคือบางทีเราเองก็เหมือนจะไม่รู้เนื้อรู้ตัวเหมือนกับว่าเราไม่ได้อยากกับวิยาหนึ่งก็คืออยากอย่างตั้งอกตั้งใจอยากอย่างโดยตรงอย่างโดยชัดเจนเช่น เราเนี่ยเราอยากโดยปริยายคืออยากในรูปเสียงกลิ่นรสโผฏฐาพูดง่ายว่าอยากในเบญจา ก, กามะคุณอารมณ์อยากในกามะพบถ้าไปถามคนตามทางถนนเขาไม่รู้ใช่ไหมเคยคิดอะไรเลยบอกคุณเนี่ยคุณอยากมีกา ม, มาตัณหาอยากในกามผู้เขาบอกไม่เคยคิดเลยเลยคือเขาไม่รู้มันเปไอ้ความอยากโดยปริยายแต่ถามว่าคุณเนี่ย เอาตัวอย่างเทียบง่ายๆว่ามีสังคมอยู่สองสังคมสังคมหนึ่งเป็นสังคมที่เย็นชาในความรู้สึกของคุณเพราะว่าเขาไม่พูดกันเลยก็มีแต่ทำมะนะฮะไม่มีฟ้อนลาไม่มีขับร้องเหมือนสังคมฤาษีสังคมพระอย่างเคร่งคัดเนี่ยกับอีกสังคมหนึ่งสังคมที่มีรูปรถกินเสียงโบนซาปาตามอารมณ์คุณชอบเข้าสังคมไหนเขาชอบเข้าสังคม รูปรดกลิ่นเสียงในพูดถึงทั่วไปเนี่ยนะนี่คือเนื้อแท้ของตันหาที่เป็นการมาตันหาของบุคคลนั้นทีนี้คนเราพอมันมีความชอบจิ่งเหล่านี้แล้วมันก็ทำอะไรเพื่อให้ได้สมปรารถนาซึ่งรูปรดกลิ่นเสียงโผล่ัะปะไม่ว่ามันจะตัวเองจะนึกเห็น ออกมาเป็นรูปลักษณะที่ชัดเจนแค่ไหนอย่างไรหรือไม่ก็ตามแต่คนเนี่ยอยากจะมีรูปสวยๆดูใช่ไหมใช่อยากจะได้อะไรก็อยากจะได้อย่างที่เป็นรูปสวยๆเสียงพราะเลาะกลิ่นห อ, อมๆเป็นต้นแล้วเราก็พยายามที่จะกระทำอะไรบางอย่างเพื่อให้ได้และไอ้ความอยากเนี่ยมันเป็นตัวที่ทำให้เราทำอยากได้ก็อยู่ใที่อที่ถูกต้องบ้งไม่ถูกต้องบ้าง ตัณหาจึงเป็นตัวนําเกิดเป็นตัวผูกเราไว้ในกรรมมาพบยกตัวอย่างกรณีที่เราเป็นกามาวจรสัตว์เราเมื่อจะเกิดด้วยกุศลกรรมนําเกิดด้วยอารมณ์ที่เป็นตัวอ่าที่ผลักส่งไปเนี่ยก็อยู่ในขอบเขตของตัณหา ว่าเราจะต้องไปเกิดในขอบเขตตัณหาที่เราอยากฝังใจอยู่ตัณหานั้นเป็นตัวสร้างภพโปโนภวิกาในอริีอัสสีเคยได้ยินใช่ไหมครับใครที่สวดอาลีอัสสีสวดธรรมจากได้จะเคยได้ยินคำว่าโปโนพวิกาตัณหานี้ใดเป็นผู้สร้างภพนำภพมาให้คําว่าสร้างภพนำภพมาให้ก็คือความผูกพันนี่แหละครับ ที่เราสั่งสมก็อยู่ทุกเมื่อเนี่ยทำให้ปฏิสนธินั้นถูกจำกัดตำแหน่งแห่งที่การเกิดว่าปฏิสนธิของคนมีพื้นฐานความยึดอยากอย่างนี้จะต้องเกิดในการมาภูมิเท่านั้นส่วนจะเกิดในการมาภูมิใดเป็นอย่างไรอยู่ที่กรกรรมเป็นตัวปลักและ ในรายละเอียดจะออกมาเป็นลักษณะอย่างไรเนี่ยก็อยู่ที่อารมณ์อารมณ์เป็นตัวชี้อย่างว่า่าคนไหนเห็นคันมารดาตอนจะตายก็ไปเกิดเป็นมนุษย์อย่างเงี้ยนะฮะหรือเห็นงูเลื้อยตอนจะตายก็ไปเกิดเป็นงูเป็นอารมณ์ปรากฏตามลักษณะของกรรมที่เป็นตัวนําเข้ามาและอยู่บนพื้นของตันหา เพราะฉะนั้นถ้าลำดับโดยยกเอาปฏิสนธิจิตเป็นผลอารมณ์นั้นเป็นเหตุใกล้ชิดและแคบที่สุดกรรมนั้นเป็นเหตุกว้างขึ้นไปอีกหน่อยตัณหาเป็นเหตุสร้างพบคว้างออกไปอีกอวิชานั้นกว้างที่สุดเพราะตัณหานี่ยยังมีการแบ่งว่าในพบน้อยพบใหญ่ทั้งหมดเลย ความไม่รู้นะฮะไปเกิดเป็นอะลูปะพรมอวิชาคือความไม่ตรัสรู้อริยสัจสี่อย่างอิรละลานตรัสรู้ก็เป็นตัวนำไปเกิดเป็นเหตุทำให้เกิดไปเกิดภูมอื่นก็เหมือนกันอวิชากตัญหาที่กล่าวว่าเป็นมูลของภพเป็นตัวสร้างภพสร้างชาติท่านหมายเอา พลังตรงนี้โดยความเป็นรูปของปกจตูปนิสยปัจจัยเป็นพลังปกจตูนะตัวนี้ทีนี้ไอ้พลังปกจตูตัวนี้ที่วงเล็บว่าที่เกิดกับอารามณปัจจัยเนี่ย อ, อก็หมายความว่าเวลาตัณหาเกิดมีอารมณ์ไหมฮะตัณหาเกิดเกิดที่อารมณ์ใช่ไหมล่ะแต่ไอ้พลังสร้างภพของตัณหาเนี่ยมันเป็นพลังทางปกจตู เป็นพลังทางปกะตูอารมณ์จึงก่อให้เกิดพลังปกะตูแก่ตันหาแกอวิชาและทั้งนองเดียวกันอารมณ์ก็เป็นพลังที่ทำให้เกิดตํามัมนมันทำให้เกิดพลังหลายอย่างเราเรานึกถึงคนออกกำลังกายไงนะมีมีอุปกรณ์ออกกำลังกายออกแล้วก็คนอุปกรณ์ในความจริงมันก็ยกอะไรไม่ได้ใช่ไหมเราไปเล่นอุปกรณ์เราก็ได้กำลัง โดยอาศัยอุปกรณ์เป็นปัใจและเมื่อเราจะเอาการเอางานเนี่ยเราก็เอาพลังตัวเราที่อาศัยอุปกรณ์เป็นเครื่องบริหารเนี่ยไปใช้ไปใช้ทำอะไรก็ได้แต่ไอตัวอุปกรณ์เนี่ยไปทำอย่างที่เราทำไม่ได้ฉนั้นอารมณ์เนี่ยมันก็เหมือนเป็นเครื่องบริหารพลังให้กับกิเลส นัมเร์บุตรเจ้าจึงตรัสว่าเมื่อตันหาจะเกิดเกิดที่ไหนเกิดที่รูปที่เสียงที่รถที่โปฎปะและอวิชชาคือความไม่รู้เนี่ยเวลามันเกิดเกิดที่ไหนรู้ไหมครับเกิดโดยมีอารมณ์แล้อมีอารมณ์ตอบว่าเกิดที่อารมณ์กันคนโง่ก็โง่ที่ตาเมื่อตาเห็นรูปเวลาสั่งสมพลังความโง่นะแต่ลองนึกดูคนนอนหลับเนี่ยไอ้นี่เราไม่พูดถึงความโง่เก่า ที่สั่งสมไปแล้วเขาไม่ได้สั่งสมความโง่ใหม่หรอกขณะนอนหลับดีก็ไม่ได้ความฉลาดก็ไม่ได้สั่งสมความโง่ก็ไม่ได้สั่งสมแต่ถ้าเขาตื่นขึ้นมาเมื่อใดรับอารมณ์เสพอารมณ์อย่างไม่มีโยนิโสมัทิการความโง่ก็เกิดกับอารมณ์นั้นใช่ไม่ใช่เราเรานึกถึงคือถ้าหากว่าเรามานึกตอนที่เราได ปัญญาโดยเฉพาะตอนปฏิบัติที่เคยอ้างอ้างถึงบ่อยๆเนี่ยนะเวลาเราปฏิบัติแล้วก็เกิดความเข้าใจขึ้นมาแล้วก็มานึกถึงไอ้ตอนที่เราไม่เข้าใจว่าความคิดอันนี้กิเลสตัวนี้ความชั่วตัวนี้เดี๋ยวนี้เรามองมันออกแต่เมื่อก่อนที่เราไม่เข้าใจไอไม่เข้าใจเนี่ยมันเป็นยังไงมก็จะไปหยิบ ใ, ใครดูก็ไม่ได้นะ แต่ตอนเราไม่เข้าใจเราก็ไม่รู้เราไม่เข้าใจเราโง่แต่พอเรามาฉลาดเราถึงรู้อย่างผมยกตัวอย่างเมื่อคืนนี้ที่ที่ไปพักที่ที่โยกุตก็ไปนอนติด ก, กับสามคนเลยคุยกันดึกเร็วคืนมีพลตรีเลิงกุปตาวาตินก็ไปนั่งตั้งวงคุยกันท่านตรีเลิงท่านก็บอกอมา ไม่ได้เจอกันนานเพราะว่าไปผ่าตัดตก็เลยเลิกให้ดูปรากฏว่าทั้งตัวเนยครับผ่ามาแล้วหกครั้งแล้วก็พัลนาหน้าหวาดเสียวสุดท้ายคือผ่าหัวใจนะเอาหัวใจออกมาแล้วก็เลาะเส้นเลือดแบบเจ้าวาดเราที่เนี่ยเอามาใส่แล้วก็ก่อนหน้านั้นเคยผ่านะที่พวกโคงหัวเขาหลังเหลงแผลเป็นเพียบเลย พอท่านเล่าจบแล้วผมถามมารู้ไหมว่าไปเบียดเบียนสัตว์อะไรไว้ครับระบุอย่างนี้เลยโอ้โหทําไมยังไม่รู้มันรู้ตอนปฏิบัตินี่แหละเมื่อก่อนไม่เคยรู้ไอตอนทํำนี่มันไม่รู้ใครมาพูดวนล้อตายเลยตอนนั้นไอ้ที่ต้องพาหัวใจนี่ก็ไม่ใช่แล้วครับแกบอกว่เมื่อก่อนเนี่ยแกชอบกินสัตว์ป่าคือก็อโทษละข้าแม้แทั้งคนทั้งสัตว์สัตว์เนี่โอ้โหนับไม่ท้วน ไอ้ประเภทแหวหัวใจไอ้ข้งคาวแม่ไก่นี่นะเวลาจะกินให้มันให้มันคาวต้องทําให้มันตายแล้วไปลอกหนังใต้น้ำอะไรเงี้ยมันไม่เบ่งเขา่าแล้วก็เต่าเนี่ยโหกินมันสนักแหละประเภทใส่เข้าไปในไฟอ่ะแล้มก็มันตะเกียร์ตากายหูตามองไม่เห็นบอกว่าทั้งหมดเหล่านี้นะ่ะเป็นมาหมดแล้ว เคยไปวัดเนี่ยเข้าไปในแค่ห่างกันสักวันยังมองไม่เห็นนะ่ะตอนนั้นไม่รู้นะพอมาปฏิบัติได้ถึงรู้โอ้โห้ตอนไม่รู้เนี่ยมันไม่รู้จริงๆนะมันนึกถึงคนอื่นๆ่นอนุชนลุ่นหลังอนุชนรุ่นหลังร่วมกลมแล้วยไม่รู้จริงๆพูดไงก็ไม่รู้จะทําแล้วมันรู้ได้แต่ถึงคราวรู้เนี่ยมันรู้โอหมันเป็นอย่างนี้ชีวิตเราเนี่ย ถึงทราบทพิ่งเลยว่าชีวิตที่อยู่ด้วยปัญญาเนี่ยประเสริฐจริงๆโดยเฉพาะปัญญาในชีวิตนี่นะไม่งั้นมันเกิดอะไรอะไรหน่อยเนี่ยเราไม่เคยมาพิเคราะห์ในแง่นี้เลยเพราะนั้นจำไว้จะครับนี่ผมเจอมาหลายคนแล้วที่ต้องผ่าตัดบางคนบางคนอย่างรายนี้มีเหตุจะต้องผ่าหลายที่แต่บางคนเนี่ยมีเหตุจะต้องผ่าอยู่ที่เดียว แต่ก็จำเป็นจะต้องทำหลายทีกรรมมันบอกเออมึงไม่มีโรคเยอะๆกูก็จะให้หมอเ้าผ่าตัดผิดๆนี่แะก็ผิดๆคืออ่อผิดอะไรผิดมีเรื่องต้องให้ต้องผ่ า, อ า, าอาจารย์บุญมีเนี่ยว่าอาจารย์นพิธามเนี่ยนี่ท่านเล่าให้ผมฟังเลยตอนจะตายเนี่ยไส้ออกมานอกประเภทปานาธิบาตเนี่ยโอ้โไม่อยากเล่าให้ฟังอยู่แล้วแถวนี้ โอเห็นแล้วก็เสียวไหนมี ม, มีมีใครเป็นแบบนี้มาที น, นี้คนบางคนถ้าเป็นอย่างนี้แล้วไม่มีธรรมะไม่มีปัญญาถ้าถึงคราวมีปัญหาอย่างนี้และเจ็บปวดรวดเล่าขอขาดบาดตา ย, ยาไปเลยเป็นเทวกรรมยังไม่ตายมันก็อยากจะเลี้ยงไว้ ท, ทรมานเจ็บแล้วเจ็บอีกเหมือนหลายหลายคน แต่ว่าอย่างคนดีเลงในผมก็บอกกับท่านว่าเนี่ยทําทั้งดีทั้งชั่วไอ้ทาชั่วก็ให้ผลมาแต่เสร็จแล้วความดีที่ทําไว้มันก็เข้าไปกอบกู้แก้ไขสถานการณ์มกพาตัดเนี่ยแห่แห้งภายใน24ชั่วโมงต้องถามหมอธรรมดาเนี่ยเห็นว่าผมถามมาธรรมดาขนาถบอกอาทิตยหนึ่งนะฮะแต่นี่แห้งภายใน24ชั่วโมงหมองงเหมือนกัน ท่านก็บอกว่าเนี่ยธรรมะเห็นท่านคุยว่าังนะไม่กลัวครับแผลเต็ตัวเลยรอยแปลเต็มตัวเลยเห็นแล้วก็น่าหน้าหาวาดเสียวแต่เจ้าตัวบอกว่าลูกหลานหวาดเสียวแต่ตัวไม่หวาดเสียวธรรมะช่วยเพราะฉะนั้นไอ้เรื่องอวิชชาเนี่ยมันถึงคราวไม่รู้นะมันไม่รู้จริงๆแล้วมันนึกว่ารู้เนี่ยนะฮะยังนึกว่ารู้ ไม่ใช่เลยก็ไม่รู้อ่ะก็เลยปกปิดกันใหญ่จรนี้ไอ้อวิชชาอย่างที่ว่านเนี่ยมันแค่ตื้นๆ น, นะที่ที่เราพูดถึงเนี่ยเรื่องกรรมเรื่องอะไรเนี่ยแต่อวิชชาที่เป็นตัวสร้างภพนั้นท่านหมายถึงความไม่รู้อริยสัจสีไม่เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์เมื่อไม่เห็นทุกข์ว่าเป็นทุกข์ก็เกิดความอยากในทุกข์ชอบในทุกข์โดยความหมายชัดๆก็คือเราเนี่ยรักตัวเองอยากจะให้ตัวเองเป็นอย่างนั้นอย่างนี้ ไปที่นั่นที่นี่ได้อย่างนั้นอย่างนี้ที่เราอยากอย่างนี้ก็เพราะว่าเราไม่มีปัญญาขั้นบรรลุธรรมเห็นว่าตัวเราทั้งตัวมันหาค่าม่ได้หาค่าไม่ได้ไปแปลว่าอะไร ม, มันไม่มีคุณค่าที่น่าจะทำอะไรเพื่อมันด้วยวิธีการทางกิเลสซึ่งตรงนี้นะเรายัางไม่ถึงขั้นเราก็ยังมืดมืดในระดับละเอียด แล้วก็ยังมีความอยากในระดับนั้นอยู่พบชาติจึงไม่สิ้นเราจึงต้องทำกรรมกรรมก็สร้างอารมณ์อารมณ์ก็เป็นตัวนำปฏิสนธิจิตให้ปรากฏนี่คือลำดับย้อนไปสู่ความตื้นลึกหนาบางของสิ่งที่เป็นเบื้องหลังของปฏิสนธิจิตของเรานี่ในกรณีนี้นะครับผมจะให้ท่านดูเป็นกรณีเอาง่ายๆก่อนเพื่อ ไม่จบก็จะได้พูดอ น, นี้ก่อนในประเด็นที่หกมาดูประเด็นที่หกว่าเวลาที่เราทําทานเนี่ยไอ้ตรงไหนเป็นปัจจัยอะไรวัตถุทานที่เราให้วัตถุทานคืออะไรผมถามว่าเราให้ของแข็งก็เป็นวัตถุทานให้ของเหลวก็เป็นวัตถุทานให้น้ําหอมก็เป็นวัตถุทานให้ทำ ความรู้ข้อธรรมะก็เป็นวัตถุคือเป็นสิ่งที่ถูกให้เป็นที่ตั้งของเจตนาที่มาเป็นตัวอาศัยคิดจะให้คนอื่นวัตถุทานที่เราคิดจะให้เนี่ยมันก็ชัดเจนนะถ้าไม่คิดมันก็ไม่ได้ให้มันไม่เกิดเจตนาให้ใช่ไหมเจตนาให้จะมานั่งหลับตาเออฉันให้อะให้อะไรไม่รู้พูฉันให้ ได้ไมะไม่ได้มันต้องมีข้อบปลาลบมีสิ่งที่เจตนามเข้าไปจับคิดอย่าง นึกจะให้นี่เป็นวัตถุทานนั้นวัตถุทานเนี่ยจึงเป็นปัจจัยอะไรอารมณปัจจอารมณะปัจจัยจึงเป็นที่อาศัยของการทํากรรมทุกอย่างสําหรับกรณีนี้เป็นเรื่องของการทําทานเนี่ยนะครับทีนี้ถ้าวัตถุทานที่เราเราคิดจะให้เนี่ยเราเห็นรายละเอียดเห็นอานิสงส์เห็นคุณค่าของมันอย่างชัดเจนเ อ, อยกตัวอย่างมาชัดๆว่าสมมติว่าดินสอแท่งนี้คนหนึ่งเขาก็คิดจะให้ คนหนึ่งเขาก็คิดจะให้ดินสอเหมือนกันเนี่ยนะแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยนึกว่าเป็นดินสอรธรรมดาดินสอไม่มีอะไรแต่อีกคนหนึ่งเนี่ยเขารู้อยู่ว่าดินสอเนี่ยมันมีคุณวิเศษอะไรบ้างเป็นรอยเท่าพันเท่าของอีกคนหนึ่งและต่างคนต่างก็ให้ของอย่างเดียวกันด้วยความทราบซึ่งเห็นคุณค่าในวัตถุนั้นไม่เท่ากันถามว่าบุญเท่ากันไหบุญไม่เท่า ทำไมถึงไม่เท่าเพราะการปลาลบเอาดินสอนั้นเป็นอารมณ์ละเอียดละออไม่เท่ากันเราถึงได้เคยได้ยินว่าบางคนเนี่ยไปให้ไปให้ของครับของสองอย่างมาเอาคุณเอาอะไรทีนี้แกก็บอกเออไอของนั้นมันดูเก่าๆสมๆก็ให้เข้าไปเอาของใหม่ๆไว้ตอนหลังมารู้ว่าไอของเก่าๆสมๆเนาะมันของมีคุณค่าใน ทางแอนติสูงมากในทางประวัติศาสตร์สูงมากมารู้ที่หลังนี่มารู้ที่หลังเขานึกอย่างนี้ม่้งดีแล้วละ่ะแหมเร า, ารู้เราก็ยินดียินดีตามหลังหรือเสียดายเสียดายเพราะว่ามันไม่ได้คิดให้แต่แรกอ่ะถ้าแต่แรกมันนึกว่ามีคุณค่าอางน้นก็ไม่ให้หรอกเพราะฉะนั้นผมนึกว่าอะไรที่เราทําเราให้เนี่ยอย่างที่เขาบอกว่าดอกไม้ถูกเทียน่ะไปไหว้แล้วเสียเสียของอะไรทานองอย่างนี้อ่นะ แต่ในทางธรรมะตรงนี้อธิบายว่านั่นคือพลังที่อาศัยของการแสดงพลังทางมนโนภาพในทางที่จะให้ยิ่งเราทำสวยเท่าไหร่เนี่ยแปลว่าวัตถุทานนั้นถูกทำให้เป็นอารมณ์และเมื่อเป็นอารมณ์ของจิตได้วิจิตครบมิติมากเท่าไหร่พลังของเจตนาให้จะสมบูรณ์เท่านั้นเพราะนั้นคนที่พิธีพิธันให้ ทำอย่างประนีตละเอียดเนี่ยเวลาตัวได้รับก็จะได้รับผลสมบูรณ์ผลละเอียดผลประนีตไปตามภาพที่ตัวเองประทรับเอาไว้กับวัตถุที่ตัวเองให้เขาแม้แต่ธรรมทานที่บุคคลพูดคนเอาง่ายๆคนจะแนะนำอะไรเนี่ยว่าแนะนำลวกๆทรงๆตื่นๆห ย, ยาบๆ กับอีกคนหนึ่งเนี่ยแม้แต่เขาจะพูดคําพูดคํานี้กับคนนี้เขาก็คิดแลกคิดอีกกลองแล้วกลองอีกมันอาจจะเป็นของง่ายๆกับคนบางคนแต่ก็มันผ่านพนลังความสามารถที่เขารู้เออในพูดอย่างนี้เป็นตัพยะพูดอย่างนี้ปฏิบัติได้พูดอย่างนี้ปฏิบัติแล้วก็ได้รับผลเร็วอะไรเงี้นะรู้จักตะล่อมกล่อมกลาวธรรมทานของสองคนนี้ต่างกันไม่เท่ากัน ตามความประณีตของอารมณ์ที่เขานำเสนอที่เขากรองออกมาสะท้อนออกมาให้แก่บุคคลอื่นนั้นอารามณะปัจจัยนั้นจึงเป็นสิ่งนำมาซึ่งพลังกรรมโดยความเป็นวัตถุฐานเคยเปรียบเทียบว่ามันเหมือนกับไอที่เขาสร้างหนังแล้วเขาก็บางทีเราเลียดได้ จุดไฟเผารถสวยๆทั้งคันเนี่ยเผาเอาอะไรรู้ไหมคือถ้าคิดอย่างยังไม่คิดอย่างในอีกด้านหนึ่งเนี่ยเสียดายแย่นะเผาบ้านทั้งหลังเสียดายไหมขีดเครื้อทั้งตัวขาดกระลุ้งกระลิ่งอ่ะเวลาเราดูหนังเนี่ยมางทีอดเสียดายเราคิดทั้งเราอีกแบบแต่คนสร้างหนังเขาไม่เสียดายหรอกเพราะอะไรเพราะเขา รู้ว่ไสิ่งเหล่าเนี้เขามุ่งเอาคุณค่าด้านอื่นโดยอาศัยสิ่งนี้เป็นเพียงที่มาของภาพเท่านั้นเองและสิ่งที่เ้าเอาไปได้ประโยชน์ได้ทีหลังเงินเป็นหมื่นเป็นแสนเป็นพันมากกว่าค่าของที่เขามาเอามาเผาเอามาหักเอามาทําลายเล่นเนี่ยก็คือภาพที่มันอยู่ในฟิลม์มใช่ไหมฮะนั่นแหละคือของที่เขาได้นั้นเวลาที่เราทําบุญเนี่ยไปเจอพวก ประเภทเสียดของต้องพูดอย่างนี้บางทีถ้าไปเจอคนจีนี่ก็บอกเออเนี่ยบางทีเขาลืมคิดนะฮะบอกเนี่ยเราเวลาไหว้เจ้าอะ่ะเอาของมาไหว้เจ้ามาเส้นเนี่ยความจริงก็ไหว้ไหว้แล้วมันก็หมดไปของเบางอย่างที่เขามาบูชาะเราอย่าไปพูดไอ้ของที่เอามากินนด้เดี็กแกนึกออกก็พูดอย่างนี้มันหรือถ้าเอาให้ยัดใช้ก็คือของที่ไปทํำกรงเต็กอะ ความจริงสิ่งเหล่านี้เป็นสื่อกระตุ้นกรรมเท่านั้นเองใช่ไหมเหมือนเป็นสื่อกระตุ้นกรรมวัตถุทานนี่ก็เหมือนกันดั น, นั้นบางอย่างเนี่ยมันได้คุ้มเสียครับมันได้คุ้มเสียถ้าเราเอากระส อ, ะสอบข้าวสารสักกระสอบไปเททิ้งทะเลแล้วผขขึ้นมาถึงชายฝั่งได้สศษกระสอบเนี่ย มคุณอย่าไปมองทางงูตั้งกระสอบตั้งกระสอบหนึ่งไม่คิดในในแง่ผลตอบแทนกรรมเนี่ยหลักพระพุทธเจ้าเนี่ยบางทีสอนเหมือนให้ทิ้งทิ้งคว้างควางเหมือนทําลายสอนเหมือนทําลายเรียกอะไรน ะ, ะทรัพยากรนะฮะเหมือนทําลายทรัพยากรก็เพราะว่าท่านเล็งผลในแง่นี้สอนให้เรามุ่งผลในแง่นี้ อ่ะทีนี้มาพูดถึงเจตนาสามเจตนาสามการบุพพเจตนามุนจ่าเจตน า, า, นาอัปปรเจตนาเจตนาสามการเนี่ยในขณะที่เกิดความรู้สึกเป็นเจตนาขึ้นไอ้ตรงนั้นเป็นสหาชาตาปัจจัยความรู้สึกนั้นเข้มข้นมากบ้างน้อยบ้างก็แล้วแต่ทีนี้ไอ้ตัวเจตนาอย่างคนมีบุพพเจตนาเนี่ย ท่านบอกไว้เลยว่านี่เป็นปกตูปณิสยะมันเป็นตัวเพิ่มพลังนะฮะเพิ่มพลังบุญเพิ่มพลังกุศลเพิ่มอะไรไหลายๆอย่างอย่างเช่นว่าทญโยตย์ได้ยางว่าคนที่ทำกรรมอย่างใดอย่างหนึ่งจะเป็นภาวนาจะเป็นทานถ้าคนคนนั้นตั้งบุพเจตนาเอาไว้ อย่างหนึ่งผลสําเร็จของกรรมกําลังของกรรมที่ตัวเองเมื่อได้ทําแล้วเนี่ยจะมีคุณค่าเป็นอย่างหนึ่งอ่ะเอายกตัวอย่างชัดๆเช่นว่าเราให้ทานแบบเกรงใจหรือแบบลำคาบุพพเจตนาเป็นอย่างนะแล้วเวลาให้เนี่ยเราให้อย่างซาบซึ้งไหมบอกแม่ลาคาญจริงๆซาบซึ้งเป็นยังไงนะครับเราก็ให้อย่างสั่งตา ให้อยากให้พ้นพ้นหน้าไปซะให้พ้นไปทีแต่อีกคนหนึ่งเขารู้ชัดว่าการให้ทานเนี่ยมันมีผลมีพลังยังไงยังชัดเจนเลยแล้วเขาก็ให้ทานด้วยเจตนานนั้บุพพเจตนานนั้เพราะฉะนั้นบุพพเจตนาไม่ว่าจะทําบุญระดับใดก็ตามที่บุคคลปรุงแต่งดีแล้วเนี่ยมันจะเป็นปักกระตูคือเป็นตัวเพิ่มพลังทั้งบุญทั้งบาป ถ้าเป็นทานก็เพิ่มพลังทานเราให้ทานด้วยความศรัทธาเป็นปุเรจาริกับให้ทานโดยไม่มีความศรัทธาหรือมีสถานน้อยความกระฉับกระเฉงความประณีตละเอียดจะไม่เท่ากันเลยถ้ามีใครคนหนึ่งเขาบอกว่าเนี่ยพระพุทธเจ้าสเสด็จมาหรือพระอรหันต์เสด็จมาเรารู้กิิติสัพพะพระพุทธเจ้าอย่างดี แล้วก็รู้อานิสงส์ของการทำบุญกับพุทธเจ้าอย่างดีมีคนมาชวนอย่างนี้เจตนาเราจะปรากฏเป็นบุภผาเจตนาอย่างดุดแดืดใช่ไหมใช่แล้วเราก็จะไปทำด้วยความกระฉับกระเิงในมุนจะเจตนาและอับปบระเจตนาก็เช่นเดียวกันเป็นตัวเพิ่มพลังให้กับบุญกุศลทั้งนั้น เพราะนั้นตัวเจตนาสามเนี่ยจึงเป็นสหาชาติปัใจจัยในตัวมันเองแล้วก็เป็นกำลังบุญจากเจตนาต้นเป็นปัจจัยแก่เจตนาหลังแล้วก็เจตนาทั้งหมดก็เป็นพลังบุญแก่เป็นพลังเช่นว่าอ่าเป็นอุปนิสยัยบุคคลที่ให้ทานแล้วในสือก็จะเป็นอุปนิสยัยแก่บุคคลนั้น อุปนิสัยนั้นก็เป็นเรื่องที่ได้ด้วยอำนาจของปกตูปนิสยาปัจั ย, ย อ, อย่างเราเองเราก็เห็นได้ชัดในในสมัยเราสมัยไหนก็เหมือนกันนะบางคนเนี่ยมีอุปนิสัยทางทานชัดเจนมากบางคนก็ไม่ชัดเจนถามว่าสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเองโดยไม่มีปีมีกลุยหรือเกิดขึ้นจากของเก่า เจตนาทานเก่าเก่าเกิดจากเจตนาทานเก่าเก่าเป็นเครื่องช่วยและเจตนาทานใดที่บุคคลทําแล้วมีอํานาจล ะ, ล, ะลดความตระหนี่ทีเหนียวทานกับความตระหนี่เนี่ยมันคนละเรื่องกันนะตรงกันข้ามกันพระพุทธเจ้าตรัสว่าละความตระหนี่ด้วยการให้เมื่อให้แล้วละความตระหนี่การที่ละความตระหนี่นั้นได้ เกิดจากเจตนาทานสแสดงพลังโดยความเป็นปัจจัยอะไร ป, ปัตุภนิตยาปัจจัยนั้นเจตนาทานเนี่ยเราได้นิสัยก็เป็นปกจจติภนิตยาปัจจัยคือเจตนาที่ทำไว้ก่อนทำให้เจตนาที่หลังเกิดง่ายและเกิดแรงเจตนาทานที่ทำไว้ทั้งสามการเนี่ยเมื่อเกิดเจตานานั้นแล้วไปสั่นสะเทือนความระหนีทีเหนียวการละกิเลส ของเจตนาทานเป็นปกนักกระตูมนุษยาปัจจัยทีนี้ถามว่าคนให้ทานแล้วผูกไมตรีไว้ได้เนี่เป็นปัจจัยอะไรผูกไมตรีเนี่ยไมตรีใครไมตรีคนอื่นหรือไมตรีเราเราผูกใจเราด้วยการให้เราได้ไหมากแม้นี่ฉันเนีเกียดเกลียดหน้าตัวเองมาหลายไปแล้วตองกระจกที่ไรก็หมั่นใส้ไม่เลิกทุกปีไม่เป็นไรล่ะ เดี๋ยวพวกนี้จะพาไปเลี้ยงงูฉลามพอเลี้ยงออกมาสองหน้ากระจกหมายบอกเป็นไงน่ารักขึ้นบ้างไหมไม่ได้หมายความอย่างนี้ไม่ได้ผูกอย่างนี้นะผูกใจคนอื่นทีนี้เรามานึกว่าเจเราให้ของคนอื่นแล้วคนอื่นเขารักเราเนี่ยมันปัจจัยอะไรทานเป็นปัจจัยอะไรแก่ความรู้สึกของคนฮะเป็นอารมณ์มันปัจจัยได้ไหมได้เหมือนกันนะ เป็นอารามมณปัจจัยเช่นเรารู้เออคนนี้เขาปรารถนาดีกับเราเขามีจิตคิดจะให้หรือนึกว่าเออเขาเคยให้เราเราก็เกิดวิตรภาพขึ้นแก่เขาแล้วก็เกิดพลังทางปกปตูปณิสยาปัจจัยด้วยมันเกิดเป็นเขาเรียกว่าเป็นพลังทางอำนาจจิตทางอำนาจจิตด้วยแล้วก็เกิดพลังทางนานักคณิกากรรมะ ในลักษณะโดยนัยยะพระสูตรด้วยคือหมายความว่าการที่เราได้ไปทำความดีกับใครเขาไว้เนี่ยด้วยทานด้วยอะไรก็แล้วด้วยแผ่เมตตาก็เหมือนกันถึงเขาจะไม่ยอมรับถึงเขาจะไม่ยังไงก็แล้วแต่นะ่ะมันจะเกิดพันธะทางกรรมขึ้นเขาจะต้องมารักเราเขาจะต้องมาเป็นมิตรของเรา เขาจะต้องมาเกื้อกูลช่วยเหลือเราอันนี้เป็นเป็นธรรมชาติของกรรมนะเราไม่ต้องไปไปบังคับไปขอร้องไปบอกให้เขารู้หรอกเดี๋ยวก็จะไม่เอาของที่เราให้มันเป็นเรื่องของกรรมนะกรรมมันเป็นตัวสร้างพันธะที่เรียกว่าใช้นี่คุณนี่กุศลกันะ่ะซึ่งการใช้อย่างนี้คนไม่รังเกียจเราไปทาก็ใช้ก็ได้คนระับบางทีไม่ได้ทากับตัวไปทากับคนข้างเคียงก็กได้หรือบางที เขาไม่รู้ตัวเราก็ทําได้ทําเอาบุญนะฮะแล้วเราได้ได้ได้มิตรภาพนะไม่จําเป็นต้องมารู้หรอกเห็นว่าหน้าบ้านเขามีขวดแตกอยู่ใบเยเราไปเห็นเข้าเราก็ช่วยเก็บให้กลัวลูกกลัวหลานกลัวคนเท่าคนแก่ในบ้างเ้าจะมาเหยียบเราเราก็เก็บให้เขาไม่มีใครรู้ทุกคนนะเราก็ไม่ได้นึกอยากจะให้เขารู้ด้วย ถือว่านี่มันเป็นสิ่งควรทำํำลักษณะอย่างนี้แม้แต่ขี้ผงขี้ผงอะไรบางดีแล้วก็เห็นว่าไอ้สมควรเก็บก็เก็บให้เดี๋ยวไม่ใช่ไปเที่ยวนั่งเก็บก็เาเป็นอาชีพนึงก็ผิดปกติไปหน่อยอะไรที่มันสมควรว่าไม่เก็บแล้วดูไม่ดีไม่สบายใจก็ทำนะถ้าอย่างนี้แล้วก็ตํามเขาจะลงบัญชีไว้เลยครับลงบัญชีไว้เลยว่ะไปใครไปสกีดบอกอย่าลืมนะเนี่ย เขาช่วยอะไรเ น, นี่คนอื่นทำกับเราก็เหมือนกันแบบเนี้ยกรรมอยู่เหนือข้อตกลงอยู่เหนือคําขอใดๆทั้งสิ้นเคลนี้มาพูดถึงอาการที่ให้อาการที่ให้โดยกายโดยวาจาโดยความรู้สึกนึกคิดนอกๆ อ, อย่างนู้นอย่างนี้เนี่ยนะครับสงเคราะห์เป็นอาการทั้งนั้นอาการที่เราให้อย่างไรนั่นก็ถือเป็นสาจากปัจจัยคือระหว่างกายกับจิต สั่งให้กายให้วาจากล่าวให้ทําอย่างนู้อย่างนี้แล้วก็ทวงทีในการให้มีความคล่องแคล่วชํนานิชานาญมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นประตูนิสยยปัจจัยคนเนี่ยไม่ว่าจะทําบุญอะไรก็ตามถ้าคนเคยเนี่ยก็เรียกว่าคนเข้าพระเข้าเจ้านะอะอาจจะพูดเป็นจำนวนนี้แทนทั้งหมดก็ได้เข้าพระเข้าเจ้าเป็นมันดูดีแต่บางคนเนี่ยมันไม่มีประตู ข้าวพระข้าวเจ้าไม่เป็นให้สายบาก็้องคอกรตากแลบออกไว้นอกบาดพระอ โ, อ โ, อ โ, อโอ้ดูหน้าเกลียดหน้าจาังผมยังเคยต้องไปช่วยจะองไปช่วยเช็ดบากบาดพระแล้วต้องไปกอบไอ้ไอ้ที่เขาใส่ใส่แลํามนหล่นาสาวสมัยใหม่คือไม่ได้ไปจีบเขาหรอกเอามีคิดจะเกื้อกูลพระคือคนเขาไม่เคยอันนี้แล้วก็เห็นใจนะประตูไม่มี คนนั่งกรรมาฐานคนทําอะไรก็แต่ถ้าปกตจุบไม่มีเนี่ยมันดูเป่นๆดูให้เป็นธรรมชาติเรียบร้อยอันนี้พูดถึงปฏิคาหกปฏิฆาหกคือผู้รับนั้นเป็นอารมณะปัจจัยแล้วก็เป็นปกจจุบันิสิยะปัจจัยด้วยออารมณปัจจัยเนี่ยเขใจง่ายเพราะอะไรเพราะว่าเรามีของคิดจะให้แล้วก็ต้องมาหาค น, หนให้เจอนะ มีคนให้ผุดขึ้นมาในดวงจิตในตาในหูในจมูกเราว่าเออคนนี้ให้เราก็ให้เพราะนั้นใจเราเนี่ยจะจับวัตถุเป็นอารมณ์ด้วยคนรับเป็นอารมณ์ด้วยถ้าไม่มีคนรับก็ไม่รู้จะให้ใครนะก็ต้องมีและกรณีของคนให้เนี่ยถ้าเราสามารถที่จะจับรายละเอียดในตัวของคนคนรับไม่ใช่คนให้ ได้ชัดเท่าไหร่เจตนาทานแรงเท่านั้นยกตัวอย่างเช่นว่าเราไปให้อะไรใครเ้าสักคนไม่รู้เขาดีเลวยังไงก็ไม่ทราบนะเขาใจปีเขาใจถูกก็มีแต่ว่าถ้าเราชัดมีปุขลันยูตาว่าคนคนนี้เป็นคนอย่างนี้เขามีความต้องการเขามีความจำเป็นด้วยคาชนญญาโพชนญยะอันนี้ให้เขาไปแล้วความไม่ไปจริงไปกว้างเขาก็ลบบินระบาดอย่างนี้นะ แล้วค่ะแล้วถ้าบางคนอาจจะรู้ให้ไปแล้วเนี่ยเขาได้ฉันบินนาบาตแล้วเขาจะเกิดทีเรโอตาปาเกิดวิรยิยะบําเพ็ญความเปลี่ยนและบรรลุเป็นพระอรหันต์สมมติว่วงนี้นะ่ะสมดว่าเราเนี่ยมีบุคคลันตยูตาชัดเจนขนาดนี้เลยอาหารนี้เป็นสัพปปยากับเขาหรือไม่อะไรพวกนี้นะะชัดเจนถ้าอย่างนี้แล้วบุญสูงมากครับบุญจะสูงมากเรียกว่ารู้จักทั้งวัตถุได้ วัตถุเป็นอารมณ์โดยละเอียดได้บุคคลที่จะรับวัตถุนั้นเป็นอารมณ์โดยละเอียดและถ้ามานึกในทางตรงข้ามคนที่ให้ไม่เป็นเนี่ยมันมีจริงๆนะครับเราก็ยังแอบแอบนึกคนบางคนนี่เขาช่งางอาพับมาเกิดนะนะมาให้อะไรคนก็ไม่เคยอเป็นคำว่าให้ไม่เป็นเนี่ยของที่จะให้ก็ไม่ไม่เป็น คนที่จะรับก็ไม่รู้ว่าเขาต้องการหรือเปล่าเขาอะไรยังไงหรือเปล่าบางทีให้ถวายพระละรับแล้วไม่เลยใช่คือไม่รู้อะเราเราก็สังเกตเออคนคนที่ไม่มีประตูทางนี้นะฮะมีอยู่จริงๆบุญน้อยครับบุญน้อยนั้นนี่ยกตัวอย่างในกรณีที่ปฏิฆาหกเป็นอารมณะปัจจัยอีกกรณีหนึ่งคือปฏิฆาหกเนี่ยเป็น ปักตูบนิสยะปัจใจแก่เราคือความผูกพันที่เรามีอยู่กับบุคคลที่เราให้ถือว่าเป็นปกตูนั่นคือพลังทางประตูของบุคคลนั้นหรือพลังในพลังจิตพลังอะไรก็แล้วแต่เถอะที่คนนั้นเขามีต่อเรายกได้ยยยย อ, ยอย่างเช่นว่าเราไปใส่บาตรพระองค์หนึ่ง พระองค์นั้นมีพลังทางจิตสูงมากพลังเมตตาสูงมากถึงแม้ว่าเราจะไม่รู้จักประวัติเลยนะแต่พอท่านมายืนเทียบหน้าสารับที่เราจะใส่บิดาบาทเนี่ยเรารู้สึกเย็นสบายใจสงบโดยไม่รู้เหนือรู้ใต้เลยเนี่ยนี่เขาเรียวกว่าเป็นพลังประตูจากบุคคลนั้นที่มีผลมาถึงเรา ท่านจำได้ไหมครับในบทสวดประธานว่าในปกตะูปนิสยปัจจัยว่าปุคโลปีปุคโลปีเสนาสนนมปีโภชนนมปีพูตถูกปุคโลปีนัคือบุคคลแม้บุคคลก็เป็นปกตะูปนิสยปัจจัยเขามีพลังอะไรบางอย่างที่จะมีผลต่อเราที่มันติดมากระตาหูที่เราเห็นเขาเนี่ยแต่ไอพลังอันนั้นเรามองเรามองไม่เห็น สภาพของมันก็จริงแต่มันมั น, ม, นมันผ่านเข้ามาสู่ตัวเราได้เพราะนั้นพระพุทธเจ้าเมื่อแสดงธรรมเนี่ยท่านทั้งท่า น, นเสนอทั้งอารมณ์และพลังทางปกตจุบัสังเกตเห็นไหมครับว่าบางคนเนี่ยมันมีพลังปกตจุบบางอย่างแรงบางทีแม้ตั้งใจจะไปต่อว่าเขาหนะ่ะยไปเจอหน้าเ้าว่าไม่ลงเ้าเรียกว่าคนมีอำนาจจิตสูงกว่าว่าไม่ลงไม่รู้อะไรมาปิดปากทางสมารมมเรียกปกัจจ มีหลายอย่างหลายกรณีด้วยกันพลังจะเรียกว่าลึกลับก็ไม่ได้ลึกอะไรมากนักไม่ได้ลับอะไรมากนักนี่เป็นกรณีของทานนําไมกุศลคราวนี้มาดูภาวนาไมายกุศล น, นามรูปหรืออารมณ์กรรมฐานที่เราใช้เป็นที่กาหนดเป็นอะไรปัจจัยอารมณะปัจจัยคนทำวิปัสสนากำหนดลม ห, ออลมหายใจเข้าออกลมหายใจก็ออกเป็นอารมณปัจจัย กำหนดอิริยาบอิริยาบทเป็นอารมมณกปัจจัยและอันนี้ก็หลักเดียวกันอีกว่าใครที่ได้ญาณแก่กล้าได้ภาวนากุศล ส, สูงความแทงลึก เข้าไปสู่อารมณปัจจัยคือนามรูปนั้นก็มากใช่ไม่ใช่สมมติว่าเรากําหนดเห็นนามรูปลึกเข้าไปถึงขนาดว่านามรูปในเกิดจากเกิดจากปัจจัยอะไรมีองค์ประกอบเท่าไหร่นามรูปในขณะใดยิ่งขณะใดอันไหนหย่อนโดยเหตุผลประการใดและผลต่อไปเบื้องหน้าจะเป็นอย่างไรอันนี้เรียกว่าใต้อารมณ์กรรมาฐานละเอียดกูศอก็ละเอียดไปด้วยข้อสองสับ สัพยาธรรมสัพยาธรรมหมายถึงธรรมที่เป็นเครื่องอุดหนุนไม่ว่าจะเป็นปุคขละสัพยาไม่ว่าจะเป็นเสนาธนสัพยะโภชนะสัพยะอุตูสัพยามากมายหลายอย่างเนี่นะซึ่งเป็นเป็นเน uh ver, รียกว่าพลมจรยานุเคราะห์เครื่องอนุเคราะห์การประพฤติธรรมมีหลายอย่างหลายประการสัพยาธรรมนั้นเราได้ดีได้ไม่ดีเพราะอะไรเพราะอะไรกรรม ได้อาจารย์ดีอาจารย์ไม่ดีเพราะอะไรกรรมกรรมเป็นเป็นตัวอยู่เบื้องหลังแล้วบางคนเนี่ยเขาก็มาบ่นว่าก็ามันมีทั้งบ่นดีบ่นไม่ดีบางคนก็ทัางบังเอิญดีเด้แล้วเกินเมื่อวานนี้ก็มาเล่าบาปปลายเรื่อยมาบางคนเขาคุยเบ่งเขาเลยคุยเถีงมาตลอดแล้วก็ดูแล้วก็จริงตลอดว่าที่ไหนที่ใครเขาบอกว่า จะไปเข้ากับมาฐานที่วัดไหนที่สำนักไหนเขาบอกว่าเต็มเนี่ยบอกมาเจอถ้าแกจะไปแล้วไม่เต็มจะมีที่ว่างตอนรับแกเส ม, มออดู ด, ดูแล้วก็จริงของแกเป็นอย่างนั้นจริงจริงอ่ะบางคนก็บอกว่าเนี่ยฉันนี่เมื่อเจอมาสามหลายลายหลังในวันอังคารนุน่นขับรถไปไอ้ทีก็ว่าจอดเต็มเ็มเนี่ยบางลายก็บอกอธิษฐานบางลายก็บอกขอเทวดาบางลายก็ ตั้งตบะธรรมะขึ้นมาว่าเราเนี่ยมาดีมาอย่างนั้นนะเอาบุญคุณออกนะขอให้มีที่ว่างอะไรบางคนแหมเรียกได้คือยาวสอกเอาที่ดีๆนะว่างอย่างเดียวไปพอนะเอาที่ดีๆ ด, ด้วยจะได้ไม่ต้องเดินไกลแม่ดูเดือดเหลือเกินแล้วมันก็เป็นไปได้นี่ผมเจอเจอสามคนละสามคนในสุภาพสตรีทั้งนั้นนะ เดี๋ยต้องไปหาผู้ผู้ชายมาสักคนแล้วก็อาจจะไม่ได้มาราาฟองนี้สามคนในสุภาพศรีทั้งมันแล้วบางบางทีเนี่ยผมเห็นคาตาเลยครับคาตาเลยพอเข้าไปเนี่ยไอ้รถคันหนึ่งถอยออกเลยถอยออกเห็นคาตาเลยอัศจะรําจริงๆผมเนี่ยผมไม่รู้หรอกแต่ว่าไม่มีรถขับเลยบุญไม่ให้ผลไปไม่มีโอกาสทดลองอย่างนี้ ก็ก็มีอย่างอื่นไปแล้วแม้แต่บาปก็เหมือนกันคือไอ้ความบังเอิญของคนเนี่ยมันบังเอิญไปในทางที่จะไม่ดีนะฮะบังเอิญที่จะไม่ดีไม่ว่าจะเรื่องอะไรอะไรสัปปะรดเสียไปหมดทีนี้อย่งอางผุขละาสับ ป, ปะรดของางคนเนี่ยเขาเรียกว่าบางคนก็ถ้าเป็นครูบาอาจารย์ดีเป็นครูสอนปริยญาเจอดีเพราะปฏิบัติแล้วไม่ได้ดีเจออาจารย์ไม่ดีนี่นี่มีจริงๆคนเป็นปลาเนะ่ะ เออเชื่อแล้วผมเชื่อว่า6กเจ็ดสิเปอร์เซนตที่นี่รู้จักเจออาจารย์ปริยัตเนี่ยดีแต่พอมาอาจารย์ปฏิบัติค่แล้วถึงขนาดทำให้ตัวเองจะเป็นจะตายเจอบ้าเลยครับเลยเลยไม่กล้าเลยไม่รู้ไปดานะ่าพระลานว่ายังไงก็ไม่ทราบนะทากรรมอะไรไว้ไม่รู้เลยแยงเลยครับเลยเดี๋ยวนี้เลยเลยเรียกว่าพอใครเขาบอกคนนั้นดีกลัวไปหมดเลยกลัวโดนต้มอี ก, กลัวไม่ได้ดียางเขาว่า นี่ก็เลยเป็นว่าไอ้ดีก็เลยตัวก็ไม่ได้ไอ้ได้มก็ไม่ดีกรรมมันก็หาเรื่องกั้นกลางขวางอยู่นั่นแหละ <c oughs> ในอีกส่วนหนึ่งที่ว่าเอ็นปะกตูปนิสยาบัตัยก็อูตูโภชน้มปีคือพลังอะไรบางอย่างอย่างที่เคยบอกว่า <c oughs> เราไปทํากรรมฐานอยู่ที่ใดมันมีพลังอะไรบางอย่างของที่เอ่อถ้าเป็นอย่างท่านหญิง อยู่เนี่ยอาจจะเรียกก็เป็นเป็นไวเบรชั่นก็พูดไปอย่างนั้นนะนั่นก็คือพลังประกตูฮะซึ่งอันนี้มันไม่ใช่อารมณ์ะไม่ใช่อารมณ์แต่เป็นพลังที่ไอ้มันมาจากบุญเราไปเกี่ยวบ้างพลังอะไรที่ถูกปลูกถูกเสกไว้บ้างเป็นพลังปกตูอย่างที่ว่าแม่ต่อาสนะเนี่ย <c oughs> เรานั่งปุ๊บเนดูดกลล้นเราเลยเพราะอาจารย์เขาเสกไวด้ดูดก้นเราเนี่ยจิตนิ่งเลยดูดรูบตรงไปเลยรู้สึกงี้เลยนะ ซึงไอ้พลังตรงนี้มันไม่ใช่ความอ่อนความนิ่มของบอกที่นั่งบางทีร้อนๆนี่แต่นั่งแล้วดีมันมีพลังตรงนี้ดีแต่ไอ้ข้างนอกดูไม่ดีก็อาจเปลี่ยนไปได้หรือบางทีไอ้ข้างนอกดูดีแต่ข้างในไม่ดีเออไม่งั้นเราลงไปขอโทษ น, ะนี่ไม่เคยเข้าเลยนะแต่พูดได้ยกตัวอย่าง สมมติได้เห็นจะชัดว่าเราจะไปนั่งกรรมาฐานในโรงแรมมั่นลูดเนี่ยติดแอร์อย่างดีปูพรมอย่างดีผมก็ไม่รู้จะเกิดอะไรขึ้นนะมันจะมีพลังอะไรเพราะมันก็มีปะการังกันมันไม่ใช่ประกตูที่เป็นประโยชน์แกธรรมะพวกเรื่องเรื่องเหล่านี้นะสมัยพุทธกาลท่านเข้าใจกันดีในวนาปัตถสูตรผมก็ถ่ายเอาไปแจกพว ก, กวิปัศนาจายัยกันวนาปัตถสูตรว่าแปลว่าสูตรเรื่องที่กล่าวถึงการอยู่ป่าอยู่ป่าเนี่ยหมายถึงอยู่เสนาสนะที่ไหนก็ได้ เสนาธนบางที่อยู่แล้วไม่ดีบางที่อยู่แล้วดีนั้นไอ้วิธีการที่จะดูก็ท่านก็สอนว่าให้ดูจากไหนให้ดูจากว่าเราอย่าเอาคนอื่นเกณฑ์เป็นเกณฑ์ไม่ได้เหมือนกันบางทีนะฮะมันเป็นเงืเ่อนไขเฉพ า, า, ะ, าะเราถ้ากุศลธรรมเจริญในที่ใดให้อยู่ที่นั้นถ้ากุศลธรรมเสื่อมในที่ใดไม่เจริญในที่ใดให้ออกจากที่นั้นอย่าอยู่ที่นั้นหวงจุ้ยไหมเนี่ย พวงจุย้ยธรรมะมันเกี่ยวกับสถานที่